อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันคือ ก, การเจ็บไข้ได้ปวดปวดหวัวตัวร้อนปวดประการต่างๆนี่ปเปียกว่าะสงครามมันท่ายาเขาไปปราบปราบยาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่ก็สงครามมันหนึ่งสงครามทาดขัน สงครามโลกมันก็เรื่องทัดเรื่งขันเรื่องทำลายสมบัติเปินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและแก่ระหว่างกิเลสกกับใจนี่เป็นเรื่องทานองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทําลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตอนอีกเช่นเดียวกันถลานี้ละงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้ของมันก็ไม่เกิด าชนวนที่ให้เกิดสงครามคุกยึดเดตนี่มันมีมากมันลุกลามกันมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแล้วกันจะเรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราะทีเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะสร้างได้จนความเจ็บไข้เดือดปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรืปราบันมีเรื่อมีครั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสมค ร, รามแต่ระหว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการทำละกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ทำทาลายอยู่เรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปายทางมันมีที่สิ่งจุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านปฏิบัติธรรมะจึงต้องดื้อเป็นขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภายแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ขไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเราลบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดาหรือเวลาใดาวันใดพิเลรศชนะเราเราก็ยอมทนทุกทรมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผ้าสุขเย็นใจี่เลรศหมอกไปชั่วการเพื่อเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจไม่ด้วยการชำระไม่ด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆที่เดินจงกลมนั่งสมาธิภาว น, นาแก้ไขตามสติปัญญา อุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับระ ง, งับดับลงไปเ ป, ป็นอันหนักสำหรับถ้าอุบายไม่มทันมันก็ทำเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาะเบียงก็คือความภาพเปลียนเป็นเถนนเสมอ ความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็าสู้ไม่ถอยมือคองสเสบียงเป็นกำลังกตปีัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลักที่เลือทั้งหลา ย, า เ, ยเบาบางจากอิกใจท้าจะมีความร่มเย็นเป็นจุมีคือว่าการต่อสู้กันระหว่างที่เหลื ก, กับขัง ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแท้ขันชนะกันถ้ามีเรื่องมีการต่อสู้กันหมอกราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากาอำนาจของปเปลือกถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากสมมุนในการต่อสู้เส้นเดียวกับพระรบในสงครามก็ตางก็ยังพอมีทางที่จะรับ ไทยชนะเป็นทับภ้อไมีความสุขคนสบายใจบ้างศักยภาของพวกเราพุทธทางก็ดีทำมังสามทังก็ดีท่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สรมรสสงสารหกพระพรรษาทงไทยลิ้ปรากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังขัดขันนี้แก่พวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุ้งสมบัติ เริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสย่เรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวชในพุทธ ศ, ศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชนะที่เหลือวิกราการางที่เหล็อซึ่งมีอยูานในใจให้หมดไปโดยลำดับลำดั ก, นกในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในถานที่ซึ่งมีอยู่ในฐานที่ต่งางๆอาการต่างๆ พิญาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาต้นไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งสินงชัยกับที่เหลืแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความเ า, ยาย่เทียมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้กปรากฏว่าเป็นทั้งขังสนงังขถารคือผู้ชนะในสงครามระหว่างิ ขับธรรมนรือระหว่างกิรลสกับธรรมได้ครองบรมณ์มสุขอันภายในใจิตใจปรากฏเป็นรณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนางกระชามอี้ทั้งสามอัน น, นี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอยากเต็มที่จึงได้รับแต่ชนะอาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธบริษัทมันต้องมีความหมายอะไรทีนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธวิษัชได้จากลูกตาหลอกอของรพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบําเพ็ญกัน อ, อยู่เวลานี้การมาสึงสถานที่บําเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าวไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิ ม, มานตามโลกของสมมุติิยมกันต้องมาถูงสถานที่ลําบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมันของด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะปีนอาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดกคลนเปินตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลํา บ, บากภายใจิตใจของเราเราตั้งาอกติบัติ ความจักรเล็กซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความรื่นริงมันเป็นด้วยความพออพอใจนี่ก็คือว่าเราดำเนินตามรอยท้บัตรของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างที่เล็กกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามลบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจที่เล็กก็มีอยู่ที่ใจการลบกานจุนลบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่ลบพุ่งจูงใยกับที่เล็ จิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมนาเพราะเป็นสนามร บ, บ ข, ของกิเลสกับธรรมซึ่งรบคกัมอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลําบนผลที่จะ เ, เกิดขึ้นจากความลำบากเพราะความท่าเพรียนหรือการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้ผ่อนแอเกิดขึ้นมา เพื่อมีความคลอดถอนมีความอิหนาอาใจต่อความาท่าเกียรที่จะก้าวไปโดยลําดับหนักครื่ความเจริญทางด้านจิตใจให้เราควระรู้ถึงธ ง, งดั่งพระโพธิสัตว์ท่านยกไปในแทรสรูปทิพยโสขวาวาหรืออานเยรุกขมูลเอ เ, เวซึ่งญาตาเรยวทิฆาบุเมื่อเธอทั้งสันต์ท่าเมื่อเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในลุกขมูลลงไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมณศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปยความรัวที่เกิดบิพันในจิตใจ น, นั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเฉลกสรสะาอายเรยาทะนกตจะกสุ อัตถะพุทธังเสเรยัทธะหากว่าจะลุกถึงบุพเจ้าวความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงลุกถึงพระธรรมกันมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากจะลุกถึงมาธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึ่งจะรุดถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักนิธของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะ้เกิดความมาั่นใจในเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลุกขมูลล้มไม้คือเรือนมา ก, ม ก, ม ก, มกมในป่านในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีในจิตใจแล้วจะ เห็นไทยชนะประดูลำดับหนับได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนครั้งในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวคำท่านพึงมันหมายต่างๆก็ได้แก่ที่เด็กซึ่งก็มีอยู่ภายใิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาล การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัรัตนตรอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในส ถ, ถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้ อ, อ, นอันใดขึ้นมาอันนั้นลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินในความทอแแท้ อ, อ, นอันรือทอถอยอย่างเรานี่หรือดำเนินแบบไหน ให้เราพึงระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลกอีกครั้งเราย่อมคืบหน้าลึกคอยตามนั้นใหนาา้กิเลสยู่ความท้อแท้แอมันถูกล่าลงไปแล้วละระลึกถึงพระธรรมพระธรรมถ้าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสรดดิฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมั่ง่ายความอา่นแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งนี้เป็นของกระเสิรแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งนี้ทำไมถึงไม่ประเสิกรกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเท็จจริกงกันว่าควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความพทอดแฉอ่ อ, แ อ, อนแอยึดเอาหลักความเฉ่งเฉงเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของกระเสริฐได้สัขงสขงารสนากระฉามิของพวกเราท่านพทอดแฉอ่ อ, แ อ, อนแอหรือ ครามต่แท้อันเดยนี้กับสั่งคำสนังนกระฉาม น, นี้เข้ากันได้ไ้ยความประแท้อันแย่เรื่องของพิเดกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายจาระที่จะมีอยู่ภายในจิตที่ตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองหรือซักปันระหว่างพิเดกกับธรรมพิเดกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือพิเดกแต่มันฉลาดเทาหลับต่าสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็หยาดคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียดอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอนี้ออกได้เาอาขยับตัวขึ้นไปโดยลๆๆๆําดับลาดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำเจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลําดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลําบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบ ก, กับพิเรศเราจะเอความกระดวกสลายมาจากที่ไหนนี่แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบาก น, นี้การสู้กับพิเรศซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดพายใจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมั่นนาเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งหนึ่งซึ่งล้วนแล้วทั้งแต่มีสิ่งอย่านี้เป็นเครื่องปกครองนี่เราจะกําจัดตัด๊บาหรือทําละออกง่ายอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปมาหน้า เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตเกเยบสกายจึงต้องพยายามจุดกำลังความสามารถทั้งกสีปัญญาทั้งความภาคเรียนด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาตามัตตธรมธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายส บ, บายใจไปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษต์เป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เรารลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรม เพราะกิเลสนั้ น, นคอยกระติ บ, บ่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่พยาบทใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระติบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สิตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระติบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขที่ดัดแปลงลงไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านลำบาสลำบับนลำบากจากกรรมมา็นชุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอดทีนี้ว่าเป็นพุทธทางธรรมังสังฆสังนาบาตมีอาาของพวกเรานี้เราพูดดาเนินตามท่านที่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลาบดีบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกรหนึ่งเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทําอันปรเกิดมาครองใจ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเร็นมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราทา่านท่านไม่ได้มีการผิดแปลกจากใครเลยอีกเสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ามนี้ออกไปและจะค่อยเด่งขึ้นไปโดยลําดับลำดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเดสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระทุ้นความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตั้งทานขีดขวางสิ่งหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นตัดเห็นทรมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็ถือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบที่เถึนควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา มีเป็นหลักใหญ่ของการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัตเพื่อทำก็ต้องเยี่ยมย่ำทำายหรือฝาฝอนกิเลสตรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยพิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจจเป็นการลําบากดั้งเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปรสรรคทํ ง, ทงาไม่เรื่อยไป ความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วทั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งหยั่งของกันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเนีมันกินเข้าไปเรื่อยเป็นนาทีเป็น ที่บินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วกับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดนั้นความตายมันก็ไม่ได้ไหวหน้าใครทั้งนั้นนถึงการนี้ต้องพับทาก จ, จากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสิ่งสอนว่าสัพเคยสัตการว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็เจะเป็นเพื่อนทุกข์ก็จะเกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหหนตุจงจะได้พยาบาทฆ่าเยน็นจิตฤ้ธิ์จมได้มีเย็นแจกกันแ่กันอัยา ป, ะปะชะาหนตุจมญาได้พยาอาจฆ่าอากาศอยากให้เบียดเบียนกันสนหนอากาศโหตุสุขีอาจารย์ไปหาดันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วถันเถิดนี่กาสอนให้สัตว์ที่มีเป็นพเพื่อนทุกกฎแจกิตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจาการ มันมีความเมตตาสงสารจริงสรารณ์จริงการเพราะ อ, อย่างไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกล า, าไว้แล้วนะ่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทางถนนทุ่งทางก็ดีตีกล า, าไว้แล้วโอ้แต่ตัวนี้เป็นวันนั้นแต่ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไ ว, ว้แล้วนักตีกลามาเรื่อยๆเพราะเอาลงฆ่าสัตว์เแต่เรามันก็ตีกลาไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกลาไว้หมด เป็นตัวแปลว่ากร้นี่ไม่ดเหมือนอย่างการาฮอตตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่ลแล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทดื่คมควันควายบำเพยญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นตมัดของเราทางการนี่จะเป็นตมัดของพญายมตุราคือความแตกคอนมตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเสียดายอย่าไป น, นึ่งหัวนึ่งหัวก็เป็นความลําบากลําบนตนหมเปล่าปล่อยตามความเป็นจริง น, นั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำให้รู้ตามตะกินปล่อยลมตามสภาพขหงโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องอยุ่งร่นเยิ้กับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจิต ท, ที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก ติดจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้ยสลัดตัดยิ้มได้ทั้งหมดติด ก, ก็เป็นยิมุติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไกรลักณนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเออฮเรียกว่าอะไรก็ได้ไมาถึงขั้นแล้วสมายทั้งนั้ น, นขอทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติวันนี้นนรู้สึกเหนื่อยเพล่เพลิดไม่ไหวจะอะไรนะบคงไม่ใช่ไม่ผันต่าันผุปอันนึงเท่า น, นั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเอาละขอฤทติเหมือนกัน